สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจา ก, กสีบานนะครับในวันนี้เป็นวันที่สามนะครับต้องถือว่าเป็นวันที่สามที่เรามาอยู่ที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ชีวิตพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้ก็คือตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอดครับอิสโซเอลตอนที่สองในวันนี้ครับเราได้ไป ยังสถานที่ที่พระเยซูได้เคยดำเนินผ่านไปนะครับสถานที่แรกก็คือภูเขาที่พระเยซูสอนเรื่องผู้เป็นสุขแปประการภาษาอังกฤษเรียกว่า mount of the beatitude หรือว่า mount of the beatitude นะครับผู้เป็นสุขแปประการซึ่งเป็นคำเทศนาบนภูเขาเ o อร์แมนออนเดอะมัลติวบทที่แหข้อที่สามถึงข้อที่สิบครับตรงนี้ครับเป็น คำสอนพระเยซูซึ่งได้ผ่านไปแล้วนะครับที่ผมสอนพี่น้องเวลาที่เข้าไปอยู่ในมา u ์ h ออ the b ะบีชที่อยู่นะครับอเ น, นื่องจากว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่ก่อตั้งโดยพวกคาทอิกคาทริกนั้นเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับแล้วก็เป็นศาสนาจักรที่มีความร่ำรวยมันมีประวัติศาสตร์ของพริจักรและประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ก็คือ จากมาาลออฟบีตจุดนะครับเป็นขึ้จักที่ถูกซื้อนะครับถูกซื้อมาโดยพวกพี่น้องนิกลายโรมันแคทริกแต่เมื่อเขาซื้อมาแล้วนะครับคนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นก็คือนางชีนางชีนะครับดังชีนี่ก็มีความปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับ อยู่ในร่องในรอยตามระเบียบวินัยเขาก็เลยทาการสาบแช่งบรรดาผู้ที่เข้ามาในโบสนี้นะครับในสถานที่ม o ลติออฟวี t i t u d e นี้ครับที่จะต้องอยู่ในร่องในรอยถ้าใครไม่อยู่ในร่องรอยนั้นก็อยู่ตกตต ก, ตกอยู่ภายใต้คำสาบแช่งของเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ มากมากเลยครับสําหรับโบสถ์ m o u s บ of Bean and June นะครับที่ที่สองที่เราไปชมกันก็คือหมู่บ้านทับกาหมู่บ้านทับกานั้นก็จะเป็นหมู่บ้านซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่ครับเป็นหมู่บ้านที่สร้างโบสถขึ้นมานะครับนี่ก็อีกเหมือนกันครับเจ้าของก็คือศาสนาจตุริกเหมือนกันครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นโบสถ์ ที่ทร้าขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงการที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนและเลี้ยงอาหารนะครับผู้ชายรับได้ถึงห้าพันคนด้วยปลาสองตัวและขนมปัง5้าก้อนครับและยังมีอาหารเหลือเก็บได้ถึง12สองกระปุลเต็มอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อที่13สามถึงข้อที่ยี่สิบี่น้องครับทัพก้านี้เป็นสถานที่ที่เป็นโบสถ์ครับ แล้วก็ทําให้เราลึกถึงปลาสองตัวขนมปังห้าก้อนที่ตกอยู่ในมือของเปเยซูสําคัญก็คือว่าเจ้าของปลากับเจ้าของขนมปังทั้งสองตัวและทั้งห้าก้อนนี้มีความเต็มใจที่จะมอบปลาของตัวเองขนมปังทั้งห้าก้อนของตัวเองนั้นให้กลายเป็นขนมปังสําหรับห้าพันคนปลาสํำหรับห้าพันคน แล้วยังมีเหลืออีกครับสิ่งที่น่าสนใจที่นี่ก็คือเราจะเป็นคนพนั้นหรือเปล่าเราจะเป็นเด็กคนัน้นหรือเปล่าที่จะมอบปลาของเรามอบขนมปังของเราให้กับพระเยซูที่ที่สามที่เราไปนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกันครับเป็นโบท์เรียกว่าโบสถ์เซนต์ส e ีเตอร์สไพ s ์มซ t เซนต r สปีเตนะครับ เป็นบทที่ทําให้เราลึกถึงพฏนิพนธ์ของพระครมภีร์ของพระเจ้าในพระบรมเียย้อนบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเก้าครับย้อนบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเก้านะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นวินชายทะเลาสาบแกรี่แกลลรี่บริษัทแกรี่นั้นมีสี่ชื่อนะครับผมได้พูดไปแล้วก็คือแกรี่ก็คือเฮเลสแรคแล้วก็คือ ทีนีเลสแลวก็ก็คือที่เบเรียชายละเลแค ล, ลนั้นเป็นที่ที่เยซูปรากฏแก่สาวกหลังเป็นขีดเป็นความตายนะครับและทำการอศัศจรรย์ช่วยสาวกที่จับปลาไม่ได้ตั้งแต่คำยางหุ่งให้ได้ปลานับได้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวหลังจากนั้นก็ทรงตอบถามเปโตรถึงสามครั้งว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือ เจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรก็ตอบว่าถ้าพระองค์รักพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระสงฆ์ทราบดีว่าถ้าพรงรักพระองค์พระเยซูก็บอกว่าให้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์เธอที่รู้ครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นโบสถ์สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกที่นี่พระเยซู บอกกลับไปโตนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับที่มีนยัยยะสาคัญมากก็คือว่าจงตามเรามาครั้งแรกที่เปียซูส่งเรียกไปโตนะครับเปียสุก็บอกกับพวกเขาตอนที่เขาจับปลาอยู่เปียสุบอกกับพวกเขาว่าจงตามเรามาไปโตกับเพื่อนเพืนก็ทิ้งแหรละวนแล้วก็ตามเปเยซูไปนั่นเป็นครั้งแรกครับ แต่ครั้งที่สองนี้เป็นครั้งที่เปเยซูปิ้งปลาคอยสาวกหลังจากที่พรงค์ได้เป็นขึณิยนนความตายแล้วนะครับแต่ครั้งที่สองนี้ที่มีนยัยสําคัญสูงสุดเลยครับเปเยซูได้สอนพยากรณ์ว่าเปโต จ, จะตายอย่างไรจะตว่าเกียรติพระเจ้าด้วยการตายอย่างไรหลังจากที่เขาได้ยินเสียพระเยซูเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือจงตามเรามาเนะครับเปโตในครั้งนี้ ก็ตามเปียสูตลอดชีวิตแล้วไม่เคยทิ้งเปียสุอีกเลยครับถึงครับในโบทแห่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องราวที่ประทับใจผมมากเราได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์เราได้เข้าไปอยู่ในบริเวณของโบสถ์นะครับซึ่งอยู่ชายทะเลแกลลี่ชายทะเลสาแง ล, ลี่ครับและเมื่อตรงทั้นเรามีการมรณสการพระเจ้า เรามีการอธิษฐานภาวนาพระคัมภีร์เรามีเวลาเงียบเงียบอยู่ส่วนตัวพระพะเ้าได้ยินเสียงคลื่นได้ยินเสีย ง, งน้ําครับและเราก็มีโอกาสสัมผัสชายทะเลและน้ําที่ทะเลสาบเกลลี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของหลายหลคนพิรุธคกับหลายนคนนั้นก็มีความซาบซึ้งถึงขนาดล้ำคาไหลครับหลายนคนก็มีความรู้สึกว่าพระเยซูกํำลังเรียกเขาอีกครั้งหนึ่ง ขอพระแสวงมตตาช่วยเหลือพี่น้องที่ทางกรุงเทพนะครับที่เราจะได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูจงตามเรามาพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกเราเสมอครับพระเยซูทรงเรียกเราทุกครั้งที่เราเข้าใกล้พระองค์พระเยซูทรงเรียกชื่อของเราและเรียกเราว่าจงตามเรามาจะกจะให้เสียงเรียกนี้ยังคงก้องอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนในทุกๆวัน เราเดินทางต่อไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมครับและหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองทีเบเรสเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นศูนย์กลางที่พระเยซูก็เป็นกองบัญชาการที่พระเยซูใช้ในการประกาศเทศนาสั่งสอนรักษาโลกตลอดสามปีสิ่งที่พระเยซูทํานะครับในธรรมศาลาในสถานที่ต่างๆในเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นก็คือการขับผีการรักษาคนง่อยแล้วก็ ยังมีบ้านของเปโตรซึ่งมีแม่ยายของเปโตรซึ่งพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายเพียงครับปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ตกเป็นของอพวกแคริสต์เหมือนกันครับปัจจุบันนั้นสถานที่นั้นถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิมที่เชื่อกันว่าพระเยซูทํากำพันธสัญในการรักษาโรคให้กับแม่ยายของเปโตร ซึ่งมันติงอยู่ในพระธรรมบารังโกบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าถึงข้อที่สามสิบเอ็ดและในบริเวณใกล้กันมากคือติดกันนะครับก็มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูทรงสั่งสอนเราจะเห็นของเราเห็นถึงาปราหักดังนะครับของธรมารมศาลาเก่าแก่นี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีคศออที่สี่ร้อยครับนะครับ เราได้มีโอกาสเหยียบอยู่บนพื้นนะครับของธรรมชาติลาดอาแก่ได้มีโอกาสแตะต้องและจับต้องเเสานะครับซึ่งเป็นเสาหินกลมๆผมได้ส่งรูปมาให้พี่น้องดูด้วยนะครับเราเห็นถึงอบริเวณที่พระเยซูรักษาโรคเห็นถึงพระเยซูเห็นถึงบริเวณที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนไละเห็นถึงธรรมชาตลา ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสองชั้นแต่ว่าก็ปลระหักพังครับเหลืออยู่เพียงชั้นเดียวพี่ลองทำสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หรือว่าเป็นไฮไลท์ของวัอนดีครับเนื่องจากว่ามีความเก่าแก่ในระดับที่ว่าถูกต้องแม่นยำในในายหลายครั้งทีเดียวเวลามาเยี่ยมชมสถานที่ตา่างๆในอิสราเอลนั้นมีสถานที่อยู่สามระดับด้วยกันครับ ระดับแรกก็คือเป็นสถานที่จริงแท้มีความแม่นยำสูงครับระดับที่สองก็คือระดับที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำไม่มากนักนะครับก็คืออยู่ในบริเวณนี้อยู่ในแถบแถบนี้นะครับแต่ระดับที่สามก็คือลําดับที่มีความแม่นยำป่ำครับก็คือไม่มีใครรู้ครับว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นการเมาเอานะครับหรือเป็นการที่ว่าคาดเสนอาว่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะครับอันนี้คือ สามลาดับทีม่มีการพูดคุยกันในเชิงของวิชาการธรรมศาสารานี้เป็นลำดัแ บ, บแรกเลยครับก็คือความแม่นยํำสูงสุดครับเมื่อมีความแม่นยําสูงสุดนั้นสถานที่นั้นเป็นสถานที่จริงครับเป็นสถานที่ที่ระเยซูได้ส่งเดินเป็นสถานที่ที่เรารู้ว่าข้างล่างนะครับก็คือเมื่อเราขุดลงไปข้างล่างนี่เราพบกับบ้านจริงๆสถานที่จริงธรรมศาสตร์จริง และยังสามารถขุดค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่างด้วยครับและโบราณวัตถุเหล่านี้ก็ได้ถูกเก็บไว้อยู่ในที่พิพิธภัณฑ์ของอิสราเอลที่เมืองคาเปอร์อูงนั้นเราเห็นถึงการผรสมผสานครับผสมผสานระหวา่า้อารยธรรมต่างๆาศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนายิวนะครับนรรในศาสนาค ร, ริสต์ในสมยัย ต, ต่อมาซึ่งอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ยังมีคนอาหรับคนที่ไม่ได้ถือทั้งคริส ทั้อยู่ไม่เข้ามาอยู่ด้วยเมืองคาร์พาโนลุนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นชุมทางครับเป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งของที่เป็นเรื่องของชาวประมงนะครับเป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าโอท็นะครับที่นั่นก็คือประมงและน้ํามันมะกอกครับน้ำมันมะ ก, อ, ค ก, คมะกอกนั้นเป็นน้ํามันที่บริ ส, สุทธิ์ครับน้ํามันมะกอกเรียกว่าเป็น กล้าเวอร์จินนะครับก็คือรูปมะกอกนี้พอเราเคา้ยวจากต้นเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาจากต้นนะครับเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือมันเต็มไปด้วยน้ํามันเราแค่เอามือลูบนะครับรูปประกอบนะครับรูปกมะกอกเราก็สัมผัสได้ถึงน้ํามันแล้วครับสมัยก่อนนะครับการที่เอารูปประกอกบรรรวมกันนะครับแล้วน้ำมันมันออกมานะครับโดยไม่ต้องมีเพชเรไม่ต้องมีการก ด, ดนอะไรเลยนะครับ อันนั้นเรียกว่าเป็นน้ำมันมะกอกรุ่นแรกที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใกล้ของเราใช้คำว่า extra extra extra virgin นะครับก็คือไม่ต้องมีการกดดันอะไรเลยครับอยู่ในความกดดันธรรมดาความกดอากาศธรรมดาธรรมดานี่แหละครับก็มีน้ำมันไหลออกมาได้แต่น้ำมันนั้นเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมกษัตระสับครับ <c oughs> น้ำมันนั้นเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมกษัตริย์เป็นน้ำมันที่ใช้เจิมนะครับปุโดริตครับ นั่นคือน้ำมัน x อ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าเอ็กร้าวอร์จิ่อมานะครับเขาก็มีคล้ายๆกับลักษณะหินข้อนใหญ่นะครับเป็นเหมือนกับครบแล้วก็มีหินเป็นแท่งนะครับเป็นเหมือนทุกศคสตร์อ่ะอันนั้นเป็นกระติที่สองก็คือเอ็กซ์ตร้าวอก็คือการกดนะครับการกดเพียงครั้งเดียวนครับจะมีน้ํามันไหลออกมานะครับนั่นเป็นเอ็กซ์ตร้าวอเป็นระดับที่สองระดับที่สามเขาก็เปลี่ยนครบนะครับเปลี่ยนที่บดนะครับกลายเป็นหินบดคล้ายๆกับ เป็นล้อวงกลมนะครับก็บดนะครับอันที่สามนี่ก็จะใช้จุดตะเกียงครับก็คือมันจะมีความขมมันมีควาฝาดเพราะเนื่องจากว่ า, มาเมล็ดนั้ถูกบดขยี้นะครับก็เลยกลายมาเป็นกลายมาเป็นเร่องประทที่สามนะครับนี่คือการผลิตกระบวนการการผลิตน้ำมันนะครับน้ำมันมะกอกหรือโอลีฟออยครับ ตั้งแต่เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าเจนะครับแล้วก็ต้องและลายเป็นเอ็กซ์ตร้าวัจธรรมดาแล้วก็กลายเป็นวัวจินก็คือน้ํามันที่ใช้จุตเกียง์อันนั้นเป็นน้ํามันเดียวกันครับกับน้ํามันของพมจารีสิบคนห้าคนเป็นยิงโง่ห้าคนเป็นยิงที่ฉลาดนะครับเพียงครับวันนี้ขอพระเจ้าไม่ตอบไวยพรให้พี่น้องได้ทํางานทําการของพระเจ้าใน้มชีวิตที่ดีสุดกับพระเจ้า และมีชีวิตที่ได้รับการทรงเรียกได้ยินเสียงของพระองค์ว่าจงตามเรามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักลุกท่านจากอิสราเอลสวัสดีครับ